ส่งคปนบ้านก็รู้ว่าเวลาจิตลอยค่ะไปไหนเราก็รู้ว่าไปตรงนั้นอย่างงี้ค่ะไม่ใช่จิตวิ่งไปทางไหนรู้ว่าจิตวิ่งไปไม่ใช่จิตวิ่งไปไหนรู้ว่าไปที่นั้น <c oughs> <c oughs> รู้ว่าจิตวิ่งไม่ใช่รู้ว่าจิตวิ่งไปไหน มันหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูรู้ทันจิตไม่ใช่หลงไปดูแล้วดูอะไรเงไม่ใช่ดูอะไรไม่สำคัญะสาคัญที่รู้ว่าจิตมันหลงไปดูนะรู้ทันจิตฝึกไปฝึกเยอะ อิดที่เคยไปชอบไปดูคนอื่นนะคะเดี๋วนี้กลับมาดูตัวเองแล้วก็มาว่าตัวเองคอยสอนตัวเองขึ้นค่ะก็ดีแล้วละดูคนอื่นเพิ่มกิเลสเราดูตัวเองก็ลดกิเลสตัวเองดูคนอื่นอันตรายนะถึงจุดหนึ่งมันจะกลับมาดูตัวเองไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเริ่มสับสนอย่างเรามองเห็น ยอะแยะเห็นคนนั่งเยอะแยะมันจะเริ่มสับสนว่ามันคนจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตเราไปเห็นเข้าเองหรือเป็นผีแล้วผีมานั่งเต็มห้องเลยอะไรเงี้ยไปเจอหน้าเขาโอ้นี้ผีแล้วเขื่อกวมทิ้งนะใจเป็นคนอย่าเที่ยวออกไปดูข้างนอกสุดท้ายมีแต่เรื่องเสีย ตอนทำสมาธิค่ะจะง่วงตลอดเลยก็เดินเอาเคลื่อนไหวทำงานบ้า น, นเคลื่อนไหวไปกระดุกกระดิกไปคือตั้งแต่เกาเทาแรกมาเห็นประโยชว่าจิตเห็นจิตเป็นมรคลของจิตเห็นจิตเ อ, อคือเป็นนิโรธก็เลยเพยายามนะคะวันที่ผ่านมาก็พยายามดูจิต นะะคานี้ตรงเนี้อย่าไปท่องไว้นะมันผิดเขียนไม่ครบหรอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเห็นนี้นีๆหน่อยๆไม่ได้ต้องเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ่มแจ้งหรือเห็นอะไรก็เห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเห็นแจ่มแจ้งเห็นจิตเฉยๆเป็นสมถานะ แล้วก็คิดว่าตัวเองก็เห็นอยู่ว่าจิตมันมันเปลี่ยนแปลงนะคะเท<ม>นี้แต่ว่าพอมาคิดถึงประโยคตรงที่ว่าเอแลราจิตน่ะมันยังเป็นตนเป็นตนอยู่ะค่ะเท่านี้เราจะทำยังไงดีกับมันต่อไปค่ะทำไม่ได้ดูไปเรื่อยให้เห็นนะความจริงนะมันเกิดแล้วมันดับมันบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูไปอย่างนี้ จุดอ่อนอย่างร้ายแรงของคุณนะคือคิดมากไปพุ่งสร้างในธรรมะต่อไปนี้ไม่คิดมากดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตเราสุข ก, ก็รู้ทุกก็รู้ดีชั่วก็รู้ไปแล้วปัญญามันค่อยเกิดเองคิดเอาใช้ไม่ได้นมัสการค่ะตอนเข้ามาตอนแรกเห็นกุฎอะคะ่นะก็คิดว่าอันนี้คือกุฎ ทีนี้พอกวาดกุดเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าจิตมันคิดว่านี่กุดของเราอย่างเงี้ยค่ะอะไรเมื่อาว่าทีเดิยเป็นของเราไปแนละ้ว <c oughs> รู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้อะค่ะแต่พอกวาดเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบเนี้ค่ะดีแล้วก็เอช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติด้วยการเดินจงกร ม, ะะ อ, มอ่ะค่ะอเพราะว่านั่งเราจะหลับก็เลยเดินเดินก็ นึกถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวเวลาเดินแค่นั้นนะคะแค่นั้นก็ดีแล้วถ้าเดินกลางคืนก็มีไฟใายอะไรก็มีไหมในกุฏิมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไว้ค่ะเปล่าจะบอกว่าถ้าออกมาเดินข้างนอกกลางคืนนะต้องฉายไฟนะมันมีงูเดี๋ยวเดินแล้วไปเหยียบงูเพิ่แล้วก็งูจะโมโห <laughs> ไปทําอีกไปที่ทําอยู่ไม่ต้องปรับปรุงแลาให้สม่ำเสมอของคุณเนี่ยต้องปรับปรุงมันติดสมถะติดนิ่งติดเฉยสลับกับฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี้คิดกระทั่งธรรมะธรรมารู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมานี่รู้ได้ด้วยการเห็นเอาเห็นว่าจริงๆแล้วจิตใจไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้อะไร ต้องเห็นไม่ใช่คิดฮะไม่ได้ยินะนะคือูอยู่ก็เห็นตรงจุดนี้อยู่เยอะอะค่ะว่ามันมันมันควบคุมไม่ได้มันเกิดดี๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวลงบ้างนะเดี๋ยวอื่นฟุ้งอีกแล้วค่<า>ะใส่เขีนไหม ท, ทันทีที่พูดนะ<า>ใช่กระโจนฟุ้งมันมันมีลักษณะอย่างนี้นะปุ๊บๆๆ๊บ๊ปบปบปนี้ดูออกเปล่า เท่านี้หนูก็เลยสงสัยว่าพอเราเห็นแล้วว่าค่ะเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าแล้ว เ, เ, เราจะเราจะหลุดจากมันได้อย่างไรจะเกดจากจิตเหล่านี้ที่ที่มันมันอยู่กับเราค่ะเราไม่มีหน้าที่หลุดนะจิตที่มีปัญญามันหลุดของมันเองเราหมดแต่ดิ้นรนทํายังไงจะดีทํายังไงจะพ้นทํายังไงจะหลุดใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่คิดแต่จะทําอะไรให้รู้นะไม่ใช่ทําอะไร กรรมลมัสการค่ะคือก็มาอยู่วัดก็คือหลงสั้นเยอะกว่าอยู่บ้านบ้างอะคะ่ะแต่ก็คือยังหลงยาวมากกว่าหลงสั้นนะคะแล้วก็อ่อนอยู่บ้านเนี่ยก็คือมันจะมีถูกกิเลสครอบงำบ่อยแล้วก็มีความยึดมั่นในตัวตนสูงแล้วก็จิตมันก็ไม่ยอมใครมันก็จะเอาเรื่องคนอื่นให้ได้นะคะ มาอยู่ทีเนี้ยนะถ้าแน่จริงอะ่ะมันจะเอาเรื่องเขาไปทั่วนะออกมาอยู่ในป่าใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยความใหญ่ของเราความแน่ของเราจะหายไปนะมันจะสยดสยองแทนอย่าเรานั่งสมาธิอยู่เนี้ยตัวอะไรมันจะมามัวแต่ดูนี้ทีนี้ยังไม่มีที่แท้กอยู่บนหัวงูนะห้อย ล, ยลงมาละ แค่ฟังข้อสยองหน่อยๆแล้ว<ม>เวลาที่ใจเราอยู่กับธรรมชาตินี่ยนะความรู้สึกว่ากูยิ่งใหญ่เนี่ยจะหายไปเวลาเราอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัยจะกูใหญ่ขึ้นมาเคยไหมอยู่ในที่เราไปเที่ยวที่โล่งๆอะไรอย่นี้ภูเขาลูกใหญ่เหลือเกินแม่น้ำก็ใหญ่ตัวเรานิดเดียวความใหญ่ของเราจะลดลงนะก็เทียบกับธรรมชาติภายนอก ยันเราภาวนานะเราดูโลกไปโลกนี้กว้างใหญ่เราเป็นเศษทุลีเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่จริงเลยเนี่ยดูไปไม่ต้องเทียบกับจักรวาหลหรอกเทียบกับแผ่นดินที่เราอยู่นี่เราก็เล็กนิดเดียวเนี่ยค่อยๆสอนมันไปมันจะได้ไม่ใหญ่มากใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออีกมีไหม กลับมามัดการ์ค่ะส่งกันบ้านรอบปีกว่าค่ะเพลงน้อยลงยังก็ทั้งเพลงทงั้งทั้งฟุ้งร้านค่ะเออยังโรบอยู่ถ้าเราปล่อยให้ใจฟุ้งร้านพอเราลงมือปฏิบัติเราไม่จะเพง่งค่ะนะนนเราพยาามอย่าฟุ้งร้านพยายามรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ย พอรู้สึกมากๆเวลาเราไปทำสมาธิมันจะไม่ค่อยกดมันสงบของมันง่ายนี่ถ้าเราฟุ้งมากพอเราลงมือปฏิบัติในรูปแบบเราอย่าเพ่งเพราะว่าใจมันดิ้นเราก็พยายามบังคับมันนะมันจะไปด้วยกันนะฟุ้งซ่านกะเซืงซึมอเงี้ยเฝ้ารู้เดูไปดีขึ้นเยอะแล้วล่วนะเพ่งน้อยลงเมื่อก่อนเพ่งอย่างรุนแรง นึกออกไหมนึกออกค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วละยังเหลือเพ่งอยู่แต่ไม่มากล้วคนสงสัยนะหลวงพ่อทำไมจำแม่นยันมาส่งกันบ้านเมื่อหลายปีก่อ น, มนไม่บอกได้เนาะสิงไม่ได้จำหรอกดูเอาเดี๋ยวนี้นะดูร่องรอยกาญมัสการเจ้าค่ะโยมาจากจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะมาจากอะไรนะจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะก็ฟังเทปของหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือน3ามที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณไม่ถึงเดือนนะคะเดินจงกรมก็จะเห็นมีอยู่สามตัวที่เห็นนะคะก็คือเห็นกายเห็นจิตแล้วก็เห็นตัว ตัวที่เห็นตัวที่รู้นะคะว่ามันมีกายมีจิตนะคะแล้วก็เห็นจิตที่มันคิดแล้วมันก็วิ่งพล่านนะคะแล้วก็โยมเป็นคนประเภทโทสะจริตนะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านก็เลยใช้วิธีดูจิตคือช่ว ง, งแรกๆก็จะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันผ่านไปปุ๊บเราถึงเราเราจะถึงจะเห็นแต่ว่าระยะการเห็นนี่มันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี่ก็คือ เห็นมันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโป่งพอเรามองเห็นปุ๊บมันก็สลายไปเลยอ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละดูอย่าเจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือถูหน้าอยู่ก็ไอ้ทาไมเหมือนกับเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราจับวัตถุเป็นผนังเป็นอะไรประมาณเนี้อะเจ้าค่ะทําอย่างนั้นเละมีสตินะจิตใจอยู่แล้วแล้ตัวมันก็เริ่มเห็นนะ่ะร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราเหรอก อย่าคิดนะคิดเยอะไปเยอะเจ้าค่ะอย่างคิดมากไปรู้เยอะๆคิดน้อยๆเจ้าค่ะอย่าหาความรู้ด้วยการคิดเอาแต่คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีอะไรขัดข้องไปเรียนที่หลวงปู่เอียนนะหลวงปู่เอียนอยู่ที่ไหน啊เจ้าค่ะอยู่ที่ อ, อําเภอปราศาสตร์เจ้าค่ะวัด ว, วัดโคกอะไรโคกหมอน เใช่ไห ม, ใ, ไหมใกล้ๆออกจากตัวเมืองไปสิบสามโลเองในเมืองสุรินที่เราพ่อเห็นก็อยู่ตรงนี้แหละเจ้าค่ะก็ล่าสุดก็เท่าที่สองสมวันที่มาที่วัดก็รู้สึกว่าอาการที่เรารู้สึกว่ามันหนักๆในอกอะไรตอนนี้มันไม่มีเรารู้สึกว่ามันเบามัน โ, นโล่งสบายอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวกับบ้านก็มี <laughs> เราไม่ได้ภาวนาเอาโล่งนะเราพาวนาให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ดูออกไหมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเห <c oughs> ตุเจ <c oughs> ้าค่ะทั้งจิตเราเลยบังคับไม่ได้เลยเี่ยดูอย่างนี้บ่อยๆไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจําได้ไหมบอกให้ไปหาหลวงปู่อะไรเออหลวงปูเ่เยน็น ชื่อท่านฟ kind of ังเราไม่ด <laughs> ีเย็นแต่ว่าท่านภาวนาดีนะเวลาใครไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านก็จะแจกซีดีหลวงพ่อไปฟ้ามีอยู่แล้วกราวนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ รู้จักหลวงพ่อผ่านทางซีดีมาเป็นเวลาสี่ห้าปีขอปราวัาะเห็นหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรืยรู้สึกไม่โรคมันหายออกไปค่ะนะ<ต>ไม่ต้องรักษานะค่ะแต่ยังเป็นคนศีลไม่บริบูรณ์นะคะหลวงพ่อแต่ตั้งใจไว้ว่า ชาตินี้จะปฏิบัติธรรมจนลมหายใจสุดท้ายเออได้เดี๋ยวนี้ก็ยังดีมีมีสติคุ้มครองจิตไว้กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ถ้าศีลจะบริบูรณ์ค่ะมีข้อถามอยู่ข้อหนึ่งอยากจะถามหลวงพ่อเพื่อให้กับคนที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคือเมื่อครั้งหนึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ในขณะที่จมน้ำตอนนั้นอายุประมาณห้าขวบแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันคนหนึ่งก็บอกว่าแกตายแล้วนี่คนที่สองก็บอกว่าใช่ตายแล้วทำยังไงคนคนแรกก็กลับมาพูดอีกบอกว่าตายแล้วก็ให้นอนหลับสิ hmm. คนที่สองบอกนอนยังไงเขาก็บอกว่าให้นอนเฉยเฉยคือได้ยินเขาคุยประมาณนี้แต่ในสภาวะนั้นคือมันมืดไปหมดแล้วตอนนั้นหนูก็ เด็กมากประมาณสักห้าขวบว่ายน้ําไม่เป็นจมน้ําที่แม่น้ําเพชรหนูเองป่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เขาคุยกันจบก็ปรากฏเห็นตัวเองขึ้นมานอนอยู่ที่ริมแม่น้ําเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยขึ้นมาได้ก็เลยเคยฟังธรรมของหลวงพ่อว่าถ้าเรคนเราจะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บปวดหนูจะมายืนยันว่ามันเป็นความจริงได้หลวงพ่อไม่ต้องลองอนะ นะตอนนั้นมันไม่เจ็บปวดจริงๆแต่อยากจะาถามหลวงพ่อว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องถึงตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าถ้าเกิดจุดนั้นจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือหรือว่าดูจิตของตัวเองไปค่ะเวลาจะตายจริงๆ ร, ร่างกายมันก็เฉยๆไปนะมันเข้ามาที่จิตแล้วจะดีหรือจะไม่ดี จะไปเกิดที่ไหนอะไจิตเป็นตัวเลือกทั้งสิ้นงั้นเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันคุ้นเคยกับกุศลไวอกุศลทั้งหลายพยายามละสิ่งที่ไม่ดีพยายามละไปจนใจมันคุ้นเคยกับความดีงามแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจมันจะทํางานตามที่มันเคยชินมีสติดูมันไป คือดูจนมันดับไปเองเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจว่าาตอนนั้นจะได้เป็นอะไรก็ช่างระมันค่ะถ้าสนใจว่าจะได้เป็นโน้นจะเป็นนี้นักก็จะได้เป็นเปรตเหมือนเมื่อตอนทานข้าวเลยค่ะเปรตอยากหยิบอาหารทำไมเปรตคอยาวใช่ไหมค่ะตัวยาวๆเวลาเราจะตักข้าวเห็นไหมนะ พอเลยยืดขึ้นมาทําไมเป็ดปากเล็กเพราะว่าใจมันอยากกินเยอะหรืปากมันกินไม่ไหวค่ะตักมาแล้วก็เหลือพวกเราก็เป็นใช่ไหมใจอยากกินเยอะๆแต่ปากมันกินได้นิดเดียวาปากเท่ารูเข็มกินไม่ได้อย่างใจหรอกค่ะปัจจุบันก็พยายามฝึกกายฝึกใจในในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะขณะเนี้จิตฟุ้งซ่างแล้วรู้ไหม นั่นแหละดูไปไปฝึกเอาดีนะจมแม่น้ำเพชรพจมในคลองกรุงเทพนี่ตายเลย <c oughs> ติดเชื้อตายกับนมัส ก, การหลวงพ่อครับคือผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้ว แล้วก็ได้ลองฟังดูแล้วปฏิบัติดูเมื่อมีโอกาสผมได้บวชประมาณปีสองห้าห้าสี่แล้วก็สวดมนต์มาจนถึงวันนี้ไม่เคยขาดเลยครับมีวันนี้ไม่มีวันนี้ที่ขาดวันแรกครับแล้วก็คือผมเคยปฏิบัตินั่งแล้วมันสงบตอนที่เจอหลวงพ่อพุทธตอนเด็กมัธยมกับตอนที่บวชที่ภูผาสูงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธไปเทศครับหลังจากหลังจากนั้นมาผมก็มีครอบครัวผมรู้สึกว่า ความเบาตรงนั้นมันลดลงแล้วผมเริ่มอินกับโลกมากขึ้นผมเคยนึกว่าขอมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาหลวงพ่อภาวนาก็รตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อพุทธเป็นครูองค์ที่สามองค์แรกคือท่านพ่อหลีที่สองคือหลวงปู่ดูลเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยวันเดียวกับที่ไปเจอหลวงพ่อพุทธลงจากสุรินทร์แวะเข้าขุราชไป งั้นเรียนก่บหลวงพ่อพุธอยู่แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเจอบ่อยที่สุดเพราะท่านอยู่ใกลนะ้ท่านจะสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจาได้ไหมได้ครับเออเนี่ยสำคัญนะกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต่ออีกวารกหนึ่งด้วยความมีสติยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำร่างกายเป็นคนทำคิดใครเป็นคนทำจิตเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นให้มีสติร่างกายทำงานมีสติรู้ทันจิตใจทำงานมีสติรู้ทันจิตใจทำงานส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตใจหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันจิตก็จะหยุดคิดแล้วตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ จิตมันเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานไปเรื่อยๆหลวงพ่อบวชตอนอายุเยอะแล้วนะมีบวชรอบสองรอบแรกตอนเป็นนักศึกษาภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนที่คุณเป็นนั่แหละแล้วที่คุณทาอยู่นะไม่ได้แพ้ที่หลวงพ่อทำตอนเป็นโยมนะนั่นคุณทาไปเถอะเป็นลูกศิษย์มีครู ฟังคำครูแล้วก็ปฏิบัติเอายืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำอะไรเนี่ยคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เวลามันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนี่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา สติะระลึกรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายเป็นไตรลักษณ์สติะระลึกรู้จิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ไปฝึกอย่างนี้แหละไปฝึกอีกครัขอบคุณครับหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุธครั้งสุดท้ายที่ไปหาหลวงพู่ดูนะลงมาหาหลวงพ่อพุธหนะลวงพ่อพุธจะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไร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 ท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือปล่อยวางผู้รู้ไม่ยึดถือจิตมันปล่อยเองนะท่านบอกไม่ใช่เราจงใจไปทำลายแล้วท่านก็บอกว่าคุณกะอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนี่ผ่านมาเป็นสิบปีนะนานจนท่านเกือบมรณภาพแนละ้วหลวงพ่อไปเจอท่านที่ทโอที OT. พระท่านเทศเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านไปบอกท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเนี่ยคนฟังเยอะๆนะแต่ที่จะเป็นนักปฏิบัติสู้ตายจริงๆมีไม่มากหรอกะท่านบอกท่านจําได้แล้วกราบเรียนท่านบอกหลวงพ่อผมเรียนทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะยืดตัวขึ้นมาเลยนะห้าวหารเต็มที่เลย ถ้าดูเป็นนะจะเห็นได้แสงพุ๊บออกมาเลยนะสว่างพลงออกมาเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่คือเหมือนเหมือนไก่ไข่ไก่อนะไรยเงี้ยท่านเรียกว่าเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทาลายเปลือกออกมาเองหื่อพ่อได้ยินก็เข้าใจกรรมฐานตัวนี้นะลงกราบท่าน เพรา่าต้องภาวนาต่อนะค่อยๆเข้าใจลูกไก่มันเจาะได้ยังไงคุณก็ไปทำเอานะพยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นจะตายต้องทำให้มันเด็ดเดียวลงไปเลยสูว่าเราเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมป่วยหนักนั่งไม่ไหวนอนอยู่นอนอยู่ก็อนอนปฏิบัติ เราสู้ตายอย่างนั้นเลยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปี่มีครอบครัวก็ทำหน้าที่ของเราไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอะไรก็ทำหน้าที่ไปนะก็รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของโลกส่วนหน้าที่ของธรรมเป็นหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตตนเองนั้นมันไม่ได้เบียดเบียนเวลาทำมาหากินอะไรหรอกวดทนนะแล้วทำไปฝึกมาได้ดีแล้ว ห้ามพูดยาวนะจำได้เบอร์สิบเนี่ยส่งกันบ้านยาวมัส ก, การหลวงพ่อจะพาออไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะหลงอยู่ทางโลกมากเกินไปไ่หลงทำไมล่ะท า, ทางที่งานนี่ไม่ต้องทำแล้วมา จเจริญภาวนาเช่นข้นหน่อยมันหลงไปทา ไ, ปไหนอ่ะเรือนค่ะมันหลงไปไหนมันหลงไปอดีตใช่ป่าหรือลหอลงไปอนาคตไม่ได้หลงไปกับอดีตเจะพาไปยุ่งอยู่กับลูกหลานลูกสงสารเขาอย่ายุ่งกับเขาเลย <acağım> เแล้วลูกสาวก็บอกกับแม่อย่าเลินปฏิบัตินะนั่นแหละลูกเขาจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอ <c oughs> <c oughs> ่ะเลยบอกว่าเราไปปฏิบัติสักอันี้เมื่อก่อนนี้มัน ติดเฉยอยู่นะดูเหมือนว่ามันจะหลุดมาบ้างแล้วแต่ว่ามไม่รู้หมดหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าเราไม่รวบเข้าไปมันก็ไม่ติดหรอกมันติดก็เพราะเราไปบัคคับเรียนอย่างจิตอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปติดเจ้าค่ะรู้สึกไห้ไปดึงจิตเอาไว้รู้สึกเจ้ค่ะก็ไปดึงมันทําไมล่ะเมื่อยมันเหมือนจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเออนั่นแหละไปดึงเอาไว้เจ้าค่ะมันเดินหน้าแล้วรู้ว่ามันเดินหน้าแค่นั้นพอแล้ว ไม่ต้องกลัวมันเดินหน้าดึงแล้วจิตมันเฉื่อยมากเลยนะเจ้าคะไปชิดไว้จะรู้ว่าหลงเนี่ยออไปตั้งหลายช็อตแล้วไปท่องไว้เดี๋ยวก็ตายท่องไว้บ่อยๆเดี๋ยวก็ตายนะเจ้าคะท่องไว้เรื่อยๆนะพุทโธไม่อยู่นะเจ้าคะพอผูทโธไม่ไหวแล้วต้องท่องไว้ตายแน่ตายแน่แบบเออรถบ่อตายแน่ตายแน่แล้วก็ อันนี้อันเดียวแต่ว่าทําสมาธิไม่ได้เลยนั่นแหละไปท่อตายแน่ไวัยจิตม่ใจะแน่สักแค่ไหนนะพอถึงตายมันก็ยอมเล้วค่ะแล้วลูกเรายังมีความสุขขึ้นนะการที่เรายุ่งกับลูกกับหลานนะลูกหลานไม่มีความสุขหรอกชีวิตเขาเขาก็อยากเดินของเขาเองเขาไม่ต้องการให้แม่มาควบคุมหลา ย, ลายสิบปีหรอกปล่อยเขา ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเอาตัวรอดแล้วลูกหลานไม่ช่วยเราไม่ได้นะถ้าเราจะตายจริงจริงอย่างมากก็มาเกาะอยู่ข้างเตียงพยายามแม่แม่จะมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนอีกนะทิ้งมันไปจิตฉานี้ไม่ถูกนะ จีขนาดนี้แน่นขึ้นมาดูออกเปล่าดูออกจ้าค่ะเออนั่นแหละเพราะเราไปบังคับมันมันเพราะอะไรได้คะเพอบังคับไงตอบได้บังคับรู้สึกมันแบบตีขึ้นมามันดึงได้ไหมเจ้าค่ะปล่อยมันไปเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วนะเชิญอปฏิบัติถวายหลวงพ่อนะเจ้าค่ะโนอาใครจะถามต่อก็ถามผู้ช่วยสอน